بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين ا ل نبينا محمد و ع ل ع ل ه وصحبه أجمعين رضيت بالله رب وبن i س ل ا م دينا وبمحمد رسوله รับบิษฐ์รหดิ و ด أ ิวยัสสิริอ ل มลิวัลลุอ ا จดะต์มิลิ ن า قه ุกาวลิอัล l a ا ن m m a innana n a s a l u q a i ا, ا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين بسم الله الذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ب سم الله الذي لا ي د ر م ع س م ه ش ي ئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا ي د ر م ع س م ه ش ي ئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <c oughs> ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานาหูวะตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนคุรานทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราจะอ่านกันประมาณแปดอายะสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกิบเจดสบดสิบเก้ายี่สิบเพราะว่า สุรอ้อลมาอีดาเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบอายะดังนั้นวันนี้ก็อยากจะให้มันจบสูระอตรงนี้ไปถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะเกินนนำถึงสูระอต่อไปนะก็คือสูรอสุรออะไรอันอามอันอันอามนะ เพราะว่าไม่ใช่พวกเราเรียนกันอย่างเดียวมีพี่น้องทั่วโลกเนี่ยเรียนด้วยกันกับเราด้วยบางคนบอกมาเรียนตอนไหนอ่ะนี่เข้าไปลงเนี่ยยูทูบเนี่ยมีคนเรียนเยอะนะครับเขาก็ติดตามอยู่ตลอดอ่าเขาก็วิทยุเขาไปเปิดนก่อนๆเขาก็บอกโอสอนนานจังเลยชั่วโมงครึ่งฉันบอกอ๋อไม่เดีนานานเรกฉันอัดที่นี่เขาเอาไปเผิดนะก็อทำเลยละ วันนี้เราจะอ่านในซูรออัลมาอีดะในช่วงท้ายนะครับหนึ่งอิบอายะที่112่ออเจอนะอิสกอรัลฮาวารียูนยาอีซาบนะนามารยมัมเริ่มต้นที่ฟาติฮาก่อนนะครับ أعوذ ب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين อัลราะห์มานีอัลราฮมม ال ิก يوم ا ดดินอ ا ل ั ي กะนับดูว่าอียังกะนั้ตั ดินสิรัต์อั ا มุสตัคิมซิรัต์ทั้งที่เราอัลกุมตั้งไว้ซิรัตทั้งที่เรอัลกมตั้ิมรริมิอาลิมว่าลล อาเมนอ้างอุบิลลาฮิมินัลชัยตานุรรจิมไอ้ควาล์ล์ฮาวาริยูนยอสบนมารยัม อ่าหยตรงนี้นะครับอีกรอบนึ่งนะมัรย์ยนะหยู่ตรงนี้เลยอิลกอลลฮาวาริยูเนียอิสบ์นามารยัมฮัลย์ จะตื่นรับค่ะไอ้น้ซี م ั่ د ล من السماء ต้องเก็บตัวฮัมซาหด้วยนะครับถ้าเราหยุดมีนัสามาแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันตัวฮัมซามันหายเพราะมีฮัมซาอยู่ข้างหลังเนี่ยให้เรามีการออกเสียงนะตัวฮัมซาก็คือมีนัสามาอย่างนี้นะมาอ่าอ่า มีเสียงอ่ะโดยนิดนึงนะแต่ไม่ไม่ตรงอ่ะนะมาอย่างนี้คืออันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับมีการเก็บอักษรให้ครบอีกรอบหนึ่งฮัลิลสเตติอูรับบุกเอยุนัซซิลอาเลย์นามาอิดตัมมินสมะ อาจะเก็บลมไม่อย pues nah, ู่นะหายใจลึกๆนะมาอีดะตัมตรงนี้ก็หน่วงเสียงนะตัมอีกรอบหนึ่งนะฮัลยัสตตีอูรับบูกะอียูนัสซิละอาเลยนามาอีดะตัมมินัสเซ قال تَقُولَ ا ุ ل َุมَ إِنْ كُنْتُمْ م ُ ؤ م ن ي ن َตรงไหนอ๋อกี่บอกในหน่นงเสียงสามที่อิงหนึ่งเสียงแ ล, แล้วก็กุน หนึ่งที่แล้วก็ตุมอีกหนึ่งที่นะอิกรุตุมมุมินีนอีกรอบหนึ่งกอลตตุกลาฮอิกรตุมมุมินีน ไดนะโอเคกอลูนูรีดูอันเกูลมินฮาวาตอตมาอินนากูลูบูนา อ่หยุดตรงนี้นะกูรูบูนาแล้วก็ที่มีหน่วงเสียงนะครับก็คืออันนะควาำทิ้งเนี่ยนูนเนี่ยมั น, ม, นมันมีสองตัวก็ข้ามนูนตัวแรกไปไปเข้านูนตัวที่สองแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของเสียงเพราะว่านูนเหมือนกันนะแต่ก็มีหน่วงเสียงก็คืออันนะกูละมินฮ า, า, าว่าเต้าเปาะอย่าลืม เสียงก้อนกะละเสียงสะท้อนว่าตาตอมเอินน่ะนุนมีชัดนาว่าจิบุน น, นะนากูลูบูนาอ่าอีกรอบหนึ่งกอลูนูรีดูแอนนกะูลมินฮาว่าตาตอกเอินนาะกูลูบูนา و َน้าอัลเَาะห์มะอัลกุดซัดดะกَตนะวะน้ากَู้าอَลเลาะห์มิน ا ชาฮิดิ วะนะลมะมานะไม่ใช่วะนะรู้นะวนะลมะมาวะแล้วก็วะวะนะลมะมาก็ดอันก็เดซอดาเกาะตนาอีกรอบหนึ่งนะครับวะนะลมะมาก็ดซอดากาตนาวะนะคูน่อัลัยฮามีนันชาฮิดี ลามาเดี๋ยวย้อนน ะ, ะตรงอะไรนะแล้วก็ย้อน น, น กล่าวอิสส م บันูมาริยะมะลลัหารบบ ا นาอัลซ علينا รับนานิล علينا ไม่ได้ทำมินอสะมา มากครับอีกรอบหนึงนะรับบานาอิลอะัยนามาอิดะตัมมินัสมะ เราละนัยดั่งล่วง ن ินาและอัลฮิรินาและอัลยามิน มีเสียงตัวกราฟด้วยมีมีมหมอ่าตรงกราฟนะไม่ใช่ตัวคอนะบางคนมีอไม่ใช่นะนี่เสียงคอเกินไปตัวกราฟตัวแก่แกมีแค่นี้นะมีกราฟอยู่ข้างหลังอีกรอบหนึ่ง จะต้องนำเราไปสَูความรู้สึกท ن ْ ك ِ อายาตมกีหนงเสียงด้วยอายาตมมิงอีรอบหนึ่งตะกูนูเลนาอีดัลลีอาวไลนาวอาครีนาวอายาตมมิง วรรุกน์นาวันทั่วขรราะฎีนวรรุกน์นาวันทั่วขยรราะฎีนอ่าพี่น้องนะตรงคอยรุดอ่านเข้าไปที่ตัวรอเลยนะคอยรุดรอกีนอีกรอบหนึ่ง วَร ז e ุคน์น์และอัลต์ข้ายรุรร๊าซีกินวารุคน์น์และอัลต์ขَ้ยรุรรَาซีกินกล่าวพรِองค์َิมนัซล่ว่าَِ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ Allahu inni munazziluha عليكم فما يك فر بع دمكم อ่านจบได้เลยมไหวไม่ยาวนะฟ่ายอินฟ่ยอินนีฝ่อินนีอาดดิบุฮฺอาดบัลลาอาดดิบุอะฮัดมนลอาลามีนนี ดิบุหดบลาอัลฮ์อัลฮ์อัลฮ์อัลฮอัออัออล ไปไปอ ะ, ะกีรักรักหายใจได้ ไ, ไปเลย <laughs> เาะรักเพอ่มไอ้ใจที่หาใจเดียวเลยนะเตือนจำได้น ะ, <c oughs> ะยั ง, ย, งยังปอดยังดีอยู่ห้ามดูลินละไอ้อรอบนึง <c oughs> ยังอ่านให้กระชับนิดนึงกระชับอย่าไปอย่าไปยาวากระชับกระชับเอาสี่พอเฟอินนีอิบุฮูอาบัลลาออ อิบบุหอัฮัดมิอัลอินหูอัลาบัล อตรงอัลบาบันและกล็ลานะลาเห็นไหมลาลาตรงนี้ยาวนะลาอัลซีบูฮูฮูตรงนี้ก็ยาวเพราะว่ามัสิละกูบะทออัลซีบูฮูอาฮัดมีนไลและมีนอ่ะมาดูความหมายนะครับอิทตรงนี้หมายถึงขณะที่ขนาดที่อะไรกอลลนกอล่ลกอลากาว ใครกล่าวละฮาวารียูนาะก็พวกอัลฮาวารียูนเอาแหละคราวนี้อันฮาวารียูนี่คือใครนะอัลฮาวารียูนก็คือบรรดาผู้ที่ติดตามนาบีอสาส้าเป็นสาวกถ้าเปรียบกับท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยเหมือนกับท่านอบูบักคนที่ใกล้ชิด คนที่คอยติดตามท่านนาบีอย่างเช่นท่านอาบูฮุรร์เนี่ยท่านไม่ทำอะไรเลยนะท่านขอเสียสละตัวเองในการเฝ้าดูพฤติกรรมของท่านนาบีดังนั้นจึงเป็นบุคคลที่รายงานฮะดิษเจ็ดพันกว่าบ ท, ทเยอะที่สุดแล้วเพราะคอยจับตลอดอย่างสมมติเนี่ยผมจับจ้องกีเนี่ยวันนี้กีพูดอะไรบ้างเดียวกีหยิบอะไรกินผมดูตลอดเลย อ่าแต่ว่าผมไม่จับหรอกนะเพราะว่ามันเป็นไม่ได้เหมแต่ว่าอาบูยรอดเจ้องอย่างนั้นเลยมีคนถามว่าอ้าวแล้วอบุยรอดไปไปทํามาหากินเด้อแล้วจะเอาอะไรกินเขาบอกอ๋อเรื่องทํามาหากินพวกท่านไปทําได้สตังค์มาก็มาแบ่งฉันแต่ฉันเนี่ยทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่คือคอยดูท่านนาบีเพื่อที่จะเอาการปฏิบัตินะมาให้โพวกท่านทั้งหลายและยิ่งใหญ่ไหมล่ะยิ่งใหญ่ไหมล่ะหัดิตแต่ละบทเนี่ยอบูยรอดบุยรอดรายงานหมดเลย มีช่วงเดียวเทียบวยรอรายงานไม่ได้ช่วงไหนช่วงน บ, บีเข้าบ้านน บ, บีเข้าบ้านปั๊บเป็นหน้าที่ท่านยิ่ง่ายชะรายงานต่ออ่าเพราะว่าเรื่องของนอนเรื่องอาบน้ํายกกระดเนี่ยบวยรอไม่ได้ยุ่งอยู่แล้วเป็นเรื่องของภรรยาที่จะคอยสังเกตนะฮาวารียูนเนี่ยก็หมายถึงคนที่ติดตามท่านน บ, บีอีซาเป็นสาวกถ้าในพระคัมภีร์ของศาสนาคิดก็เขาก็จะนับคนที่อยู่ในในโต๊ะอาหาร มีนางกินอาหารกันอยู่และในนั้นมันว่ามีกินวายด้วยนะอ๋อละมีกินวายด้วยมีมีมีกินวายด้ว ย, ว ย, วยซึ่งซึ่งไม่จริงนะพี่น้องอ้ น, นั้นแต่งเติมเท่านั้นแหละซอสูดอะไรกินวายนะขอมึอนเมาขอไม่ดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในในการปฏิบัติของคนที่มีคุณธรรมอยู่แล้ว <Okay. S 1> เป็นชื่อกลุ่มครับไม่ใช่คนนะอ่ากลุ่มคนที่ ใกล้ชิดติดตามท่านนาบีอีสาเขาบอกว่าไงยาอีซาบันมาริยัมโออีซาบุตรของมารยัมเ อ, เอย๋ยฮัลลียสเตอรปอรบบุกะไอยูนซิลซิลาเลยนะีพระเจ้าของท่านเนี่ยสามารถที่จะให้สําหรับอาหารลงมาจากฟากฟ้ามาอีดามาอีดาหมายถึงสํำรับอาหาร เอาสำรับอย่างเดียวไหมหรือมีอาหารด้ว ย, าาวยต้องมีอาหารด้วยนะถ้ามีแต่สำรับอย่างเดียวมันไม่ไหวหรอกต้องมีอาหารด้วยในนี้มีอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วพร้อมทานได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีตัปสีตบอกนะว่าในสำรับเนี่ยมีอะไรให้ลงมาลงมาจากไหนมีนัสมะลงมาจากฟากฟ้าเลยนี่คือที่มาของซูรออัลมาอิดาแปลว่าซูรอสำรับอาหาร อนี่แหละพึ่งมาเจอในอายาที่หนึ่งร้อยสิบสองอ่านไม่ตั้งนานนะไม่เจอคำว่ามดะมาเจอเนี่ยก็ไม่แปลกซุรอสบากรอเหมือนกันก็ไม่เจอวัวสักพักหนึ่งอ่านมาสักพักหนึ่งมาเจอช่วงหลังๆเรื่องมูวัวของนบีมูซาอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่แน่นอนว่าที่ตั้งเป็นซุรอสําหรับอาหารมันต้องมีความสําคัญก็และตะกุลลอฮ์อิงกุนตุมมุมีนีน เขาก็คือนบีซาก็บอกว่าพวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาคือทําไมถ้าเกิดสมมุติอัลลอ์ไม่ได้ให้มีสำรับอาหารแล้วก็จะไม่เชื่อหรอบางเรื่องพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายซอบา้นานนบีเนี่ยเชื่อโดยที่ไม่ต้องให้อัลลอ์สุบฮานาะหัวตาแล้วต้องคือเหมือนกับ ไ, ไ, ไปตั้งเงื่อนไขอะถ้าอย่างนี้ฉันจะตั้ฉันนี้ การเชื่อโดยโดยโดยสะดุดีก็คือเชื่อโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรฉันเชื่อฉันศรัทธาสัสาส่งอะไรมาทําำนั้นนาฎเนี่ยการบุญบาลเนี่ยอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งนัฎบุญาลเนี่ยอุละมะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่สมควรจะกระทําเริ่มต้นนะแต่ถ้าทำแต่ถ้าทําทก็อนุ ญ, ญาตให้ทําได้แต่หุกกมของการเริ่มต้นนาฎเนี่ยไม่สมควรเพราะเหมือนกับเป็นการตั้งเงื่อนไขกับลอถ้าฉันได้นี่ แล้วฉันจะทําแต่นาฎอีประเภทหนึ่งก็คือนาฎโดยที่ไม่มีเงื่อนไขคือฉันขอนาฎเพื่อจะทํานี่เลยเหมือนกับที่ใครอะบุตรของอิมรอนอะไรเนี่ยที่เราอ่านไปได้นะผมจําชื่อไม่ได้ล้ที่นาฎเลยนะถ้านาฎแบบมีเงื่อนไขเนี่ยอุลมะบอกว่าถ้าไม่ทําได้ดีแต่ถ้าอนุแต่ก็อนุญาตให้กระทําได้นะครับ เช่นเดียวกันว่าพวกนี้ก็พยายามที่จะถามว่าที่จะขอให้เห็นสั ญ, ญลักษณ์นะซึ่งนบีบอกให้ยำเกงต่อเลรอหากพวกเจ้าศรัทธากลูเอาอยาไมโจมเขาบอกว่าพวกเขาก็กล่าวว่า <c oughs> ทำไมถึงขอสำรับอาหารกอลูนูรีดูอันนะกุลามินฮาง่ายๆเลยครับเราต้องการที่จะบริโภคมันขออาหารนี่คือขอเพื่อจะกิน อเพื่อจะกินเพราะว่าในส่วนหนึ่งของฮาวายยูนก็มีคนที่ยากจนอัตคัดไม่ค่อยมีสตังที่จะไปซื้อหาอาหารก็เลยขอเรื่องนี้วัตตามาอินนะกูลูบุณาและอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อให้หัวใจของเราได้สงบศรัทธามัน่นนะและก็บอกต่ออีกวานาและมาอันกอดาสอดากตานาบอกว่าไง และเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยพูดความจริงกับพวกเราและสุดท้ายก็คือวะนากูนอาอ่านยฮะมีนชาฮีดีและเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้เป็นพยานยืนยันในเรื่องนี้ด้วยอ่าคราวนี้มาดูคําอธิบายสักนิดหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกที่นบดุีซาตอบว่าพวกเขาจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดเนี่ยก็คือนบดุีซารได้กล่าว ต อ, อบกับพวกเขาไปว่าพวกท่านจงยำเกรงต่อล้อเถิดอย่าได้ขอเช่นนั้นมันอาจจะเป็นความไม่ดีแก่พวกท่านก็ได้ <c oughs> เหมือนที่บันนีซลยิงเคยขอที่จะให้อล้อปรากฏให้เห็นแล้ว ล, ออกกล้อก็ลงอาดาบลงมาเลยเาตายกันไปเลยนะสรุปไปเลย <c oughs> แต่พวกท่านเนี่ยจงมอบหมายต่อลอ้อและถ้าอยากได้ดิสกีให้ทำยังไง อยากจะได้อาหารมากินทำไงก็ออกไปแสวงหามาสิออกไปซื้อมาไปเอาสตางค์ไปซื้อมาไม่ใช่ขออาหารได้ลอยมาจากฟ้านะและพูท่านเป็นผู้ศรัทธาท่านก็ต้องรู้กฎเกณฑ์ที่อัลลอ์จะให้ดิสกีอัลลอ์จะให้มาด้วยกับการที่เราออกไปแสวงหานะ <c oughs> ในรายงานยังบอกต่อว่า อาหารนะครับที่ที่อัลลอฮ์ได้นำลงมาเนี่ยในสำรับอาหารเนี่ยมีปลาตัวใหญ่เจ็ดตัวปลาตัวใหญ่เลยนะในสำรับอาหารเนี่ยมีปลาเจ็ดตัวแล้วก็มีขนมปังแผ่นใหญ่เจ็ดแผ่นกินปลาขนมปังแสดงเอาปลานี่เป็นอาหารดีนะแอะเป็นอาหารดีในกรในรายงานก็บอก่งนี้แหละมีปลาเจ็ดตัวมีอ่าแล้วก็มีอะไรนะมีขนมปังข้าวไม่มีนะข้าวไม่มี แสดงคนสมัยกินขนมปังแล้วก็เล่าบอกต่อว่ากอลาอีซาบานูมารยัมอีซาบุตรของมารยัมก็ได้กล่าวดูอาแล้วอัลลอฮุมมารบบานาอัลลอฮุมมารบบานาโอ้อัลลอฮ์พระเป็นผู้อะไรนะโอ้อัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของพวกเรารบบบานา อันซิ่นอะไรนะ่โปดได้ประทานสํำรับอาหารมาอิดัตมินัสแมะโปดได้ประทานสำรับสำรับอาหารลงมาจากฟากฟ้ า, กฟ า, กฟาแก่พวกเราด้วยเถิดแต่กูนูละนะ่จะได้เป็นวันที่รื่นเดิงแก่พวกเราเพราะอะไรต้องรื่นเพราะอะไรถึงรื่นเดิงล่ะก็การกินอาหารเป็นส่วนหนึ่งของความสุขนะครับ อ, อิสลามเรา เครื่องหมายของความการดื่นเลการดื่นเดินก็คือการกินอาหารเช่น ว, วันอีดวันอีดเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้บวชเพราะเป็นวันดื่นเดินต้องกินกันทานกันนะส่วนหนึ่งของการดื่นเดินคือการทานอาหารวัีมามีความสุขใช่ไหมแต่งงานแต่ต้องอะไรด้วยมีของกินด้วยไปงานแต่งจะ่มนมีของกินยุ่งเลยทุกเลยหิวด้วยต้องเตรียมของกินไว้ตอนรับ เพราะมันคือส่วนหนึ่งของความรื่นเริงก็คือการได้ทานอาหารเล็กก็บอกต่อว่าต่กูนูไอดันเนี่ยไอดันก็คือความความรื่นเริงวันอีนเนี่ยลีเอววะลีนาเอววะลีนาวะอาคีรีนาแก่คนแรกแก่พวกเราและคนสุดท้ายของพวกเรา <c oughs> หมายถึงอาหารเนี่ยขอให้มีบราระกัดคนแรกกินอย่างไรคนสุดท้ายกินอย่างนั้น งงไหมปกติไปงานแต่งใช่ไหมไอ้คนแรกไปไงเป้มดิมดโอ้โหของบรรนาเต็มไปหมดไอ้ไอเราเป็นคนสุดท้ายไปไงไเหลือแต่น้ําแกงแล้วมองจุ๊กบกระเพาะปลาไข่อยู่ไหนวะเหลือแต่น้ําคนไม่เหอะที่นบีซาขอแบบนี้แปลว่าคนสุดท้ายกินแบบไหนอะขอโทษคนแรกกินแบบไหนคนสุดท้ายก็เหลืออาหารแบบเดิมมีของเต็มมีของเหลืออยู่เดิมไม่หมดอยู่งั้นแหละ นะเอาต่อมาว่อายาตามินกาและได้เป็นสัญญาณหนึ่งจากพระองค์วารซุกก่อนนว่าอันตะคอยรูรอจีกีนนะแล้วไงและได้โปรดประทานปัจจัยังชีพแก่พวกเราด้วยเถิดและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดีเยี่ยมในการประทานปัจจัยังชีพอ่ะต่อนะกอลลลอหุอินนีมูนซิลูฮาอะไลกุม อัลลอฮ์ทรงตัดว่าแท้จริงข้าจะให้มันลงมาจากลงมาแก่พวกเจ้าสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ไหมให้ปะเนี่อยอายะห์สีสิบห้าเนี่ยแท้จริงข้าจะให้มันลงมาแก่เจ้าให้ครับมาริกานําลงมาเลยจากฟากฟ้าเป็นสําหรับอาหารและพอลงมาปั๊บปลาเจ็ดตัวขนมปังก็กินกันอัลลอฮ์ให้เงั้นบางคนด้วยกับ มันก็มีคนทั้งดีไม่ดีด้วยนะบางคนเนี่ยกินไม่พอนะใส่กระเป๋า <laughs> แสดงว่ามันมาแต่สมัยนู้นแล้ว <laughs> <laughs> แล้วก็มีคนนี่ก็เตือนเขาบอกเฮ้ย <c oughs> เขาให้กินตรงนี้อันนี้อยู่ในนี้เนียให้กินนี่เขาบอกว่าเรากลัวว่าเราจะไม่มีอาหารแบบนี้กินอีกพอเรารู้ว่ามันจะมีโอกาสที่อาหารจะลงมาจากฟ้าๆนี่ยมันไม่มีทุกวันหรอกก็เลยไปไง ใส่กระเป๋ามัาง่งกินปุ๊บครึ่งหนึ่งอีครึ่งหนึ่งใส่กระเป๋าโมฮีญซาอยู่แล้วเรื่องธรรมะเรื่องปกเรื่อ ง, รองธรรมะปกติแล้วเนี่ยไม่ปกติอยู่แล้วเกินธรรมชา ต, เติเกินปกติแม่เกินมากกว่าปกติแล้วเรื่องมหาสจ ร, รย์ของนบีอีสาก็เรื่องนี้ด้วยเอาลอให้สําหรับอาหารลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณนี่ไงบอกถึงว่านาบีอิสานี่พูดจริงนะอา้า และในหมู่พวกเจ้าเนี่ยปฏิเสธแล้วก็บอกนะและถ้าผู้ใดยังปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่ได้เห็นจาจาๆเนี่ยแน่นอนข้าจะลงโทษเขาโดยที่ข้าจะ <c oughs> ไม่ลงโทษไม่ลงโทษอันนี้กับผู้คไนะไม่ลงโทษนั้นแก่ผู้ใดในสาคลโลกคือเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุดอา่านี้มันก็มีฮะดิษบอกอีก อิบนุจารีตได้บอกว่ามาจากอับดุลลาอิอิบนุอัลม์บอกว่าแท้จริงคนที่ได้รับโทษดุงแดงที่สุดในวันกียามะมีอยู่สามประเภทด้วยกันมีอยู่3ามกลุ่มด้วยกันในวันกียามะนะมีอยู่สามกลุ่มที่ได้รับได้รับโทษดุลแดงที่สุดหนึ่งมุนาฟิกมุนาฟิกเนี่ยมุนาฟิกอะไรมุนาฟิกเอติกอดนะหมายถึงแสร้งทําเป็นมุสลิมแต่หัวใจข้างในเป็นกาเฟิซึ่งในกุรานบอกไว้แล้ว ดาร์กี้ัสฟัลีมินันนอยู่ก้นของนรกเลยลึกที่สุดของนรกคือมุนาฟิกมุนาฟิกแบบไหนบอกไปแล้วนะมุนาฟิกที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เลยแต่ข้างนอกแสดงตนเป็นมุสลิมอันที่สองพวกที่อยู่ในเหตุการณ์สำรับอาหารของนบีอีสานี่แหละปฏิเสธไงอัลลอฮ์บอกแล้วว่าถ้าให้เห็นแบบนี้ยังปฏิเสธอีกเนี่ยโดนเลย ต่อมาที่สามรู้ไหมพวกไหนวงวานของฟิเ ร, ร็อห์เนี่ยสามกลุ่มนักที่สุดในวันกิยาม嘛คือสามกลุ่มนี้เรานี่รอดไปสองกลุ่มและกลุ่มไหนอะก็กลุ่มฟากฟ้าเนี่มาเกี่ยวกับเราสมัยก่อนบีซาฟิเ ร, ร็อห์นุ่นสมัยนะบีมูซาแต่มูนาฟิกเนี่ยต้องระวังนะเพราะมุนาฟิกเกิดได้ตลอดนะครับอ่าข้อนี้บอกต่อว่า อบูฮาติมได้รายงานว่าอิสหาหกนะบอกว่าไงอิสหาหบินอับดิลละบอกว่าแท้จริงสํำรับนั้นได้ถูกประทานลงมาให้แก่อีซาบุตรของมารยามโดยมีขนมปังเจดแผน่นปลาตัวใหญ่ปรุงเป็นอาหารเลว้วไม่ใช่ปลาเป็นๆ น, นะปลาปรุงเป็นอาหารเรียบร้อยปรุงสุกกินได้เลยเจดตัวและเขาก็รับประทานตามที่พวกเขาประสงค์อย่างอิ่มหนําสําราญกันทั่วผู้รายงานได้บอกว่าบางคนในหมู่พวกเขาเอบขโมยอาหารเกร็บเอาไว้นี่ไงฉันบอก โดยเกงว่าพรุ่งนี้จะไม่มีสํำรับอาหารลงมาเช่นนี้สําหรับสําหรับจึงถูกยกขึ้นไปและไม่ลงมาอีกพอเวลาใครขโมยปับ๊บสํำรับขึ้นไปเลยเอลัลลอ ย, ยกขึ้นไปเลยตอนแรกก็กินกันอย่างดีเริ่เริ่มเริ่มเริ่มหยิบใส่กระเป๋าแล้วเริ่มแอบขโมยปับ๊บอลัลลอยเอาขึ้นเลยนะถือว่าไม่ตรงเงื่อนไข เรื่องนี้ถูกรายงานมาเนี่ยมีหลักฐานนะให้เห็นว่าสําหรับอาหารจากฟากฟ้านั้นได้ถูกประทานลงมาจริงๆแก้วงวานอิสรอรีนในสมัยนบีอีซาบุตรของมัลลัยมเป็นการตอบรับดูอาที่นบีซาขอและเป็นการบ่งชี้ว่ามีเรื่องเรื่องนี้เป็นความจริงที่ถูกกล่าวไว้ในกุรานอันนึงพี่น้องครับมีเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นี่เขาเอามาเขียนไว้นะนับประวัติศาสตร์ได้เล่า ว, ว่ามีอยู่สมัยหนึ่งก็คือมูซาอิมูนูซอย เป็นใครคนนี้เป็นคนที่พิชิตดินแดนแอฟริกาตอนเหนือไม่ว่าจะเป็นโมร็อกโกตูนิเซียแอลจิเรียเนี่ยมูซาอินูนูซอยส่วนคนที่พาข้ามไปไปข้ามไปที่สเปนอันดอรลุเซียเนี่ยก็คือตอริกบินซิอาตอันนี้แต่ว่ามูซาเนี่ยเป็นเป็นแม่ทัพใหญ่ตอริกเป็นทหารเป็นเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นลูกเป็นเป็นแม่ทัพ ส่วนคนนีเน้เป็นเหมือนคนมาปกครองที่ถูกส่งมาอีกทีหนึ่งมูไซนูนูซอยเนี่ยไอช่วงที่พิชิตเมืองไปเนี่ยนะก็เป็นแม่ทัพในสมัยอุมัยยาพิชิตในดินแดนมะกะเด็มมบมะกะเดบก็คือดินแดนมาร์กโคก็ได้พบสําหรับอาหารที่นูนูนไปเจอสํำรับอาหารปรากฏว่าสําหรับเนี่ยประดับไ ป, ไปด้วยกับไข่มุกแล้วก็เพชรพลอยเพชรพลอยชนิดต่างๆมากมายเขาจึงตัดสินใจส่งไปที่คอริฟ้า ที่อยู่ที่ดีมัชเมืองดามัสกัสซีเรียซึ่งในขณะนั้นชื่อว่าอั้นวาริดบินอับดุลมาลิกแต่ส่งไปยังไม่ทันถึงเลยนะคอริฟ้าตายก่อนไม่ทันได้เห็นเขาจึงม อ, มอบให้แก่น้องชายของท่านก็คือคอริฟ้าสุไลมานอิบดูอับดุลมาลิกและผู้คนก็เห็นก็รู้สึกประหลาดใจมากเลยเพราะมันเป็นสหรับอาหารที่ถูกประดับประดาบแบบสวยงามมาก รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมาจากฝีมือมนุษย์ได้มันดูมันดูอลังการสวยงามมากก็เลยมีรายงานบอกว่านี่อาจจะเป็นสํำรับอาหารในสมัยนบีสุไลมานคนละอันกันนะเพราะว่าสําหรับอาหารนั้นจะอยู่บนโลกนี้ไหมไม่อยู่เพราะอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วยกขึ้นไปแล้วแต่บางคนมาอ่านเรื่องนี้เดี๋ยวเขาอ้าวสมรับนบีอีสาหรือเปล่าสมัยอีสาไม่อยู่แล้วนะแต่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสําหรับอาหารของนบีสุไลมาน แล้วถามว่าทําไมของนบีสุไลม์มาถึงพิเศษก็อํานาจของนบีสุไลม์มานเนี่ยใช้อะไรได้ใช้ยินได้ไงยันการก่อสร้างในสมัยนบีสุไลม์มานเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์แต่เป็นฝีมือของพวกยินมาทํามันก็เลยอลังการมากในการสร้างนะอ่ะก็เลยอันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอย่าได้สับสนกันแสดงว่าสําหรับอาหารเนี่ยไม่ต้องไปตามหานะ ของของนบีซา์เนี่ยไม่มีแล้วยกอลอยยกขึ้นไปแล้วสาเหตุเกิดใจพวกขโมยของอลอยยกขึ้นไปเลย <c oughs> นะบุรกัรหายนะครับอ่ะอ่านต่อนะไวต์กอลลัลฮุยอาอีสับนัมารยามะอาตะกุลตะลินนาสิตตะิดูนี อาตาขีดูนีนะครับอม่รอบหนึ่งนะว่อิดกอลลลอฮฺยาอิสฺบะนัมารยามะอัลตะกุลตะลินนาิตตขีดูนี วะอุมมี่อิลลัฮีนิมิลดูนิลลา บีบ <talk s> ีบีักนะบอกได้ตลอดแหละเออโอลสุบฮานากมายากูนลีอันอากูลมาไลซาลีบีฮัก อ่าบีฮักเกาะเอเสียงก้นกลอล์แบบเขาเรียกมันอืด น, นิดนึงเพราะมันมีชัดดาเออเสียงมันจะค่อนข้างจะชัดแล้วก็อืด น, นิดนึงช้านิดนึงบีฮักเกาะเออมันกินก๊อปมันกินก๊อปไปก่อนมันมีกอปมันมีกอปสองตัวเนี่ยชัดดาเนี่หมายถึงมีกอปสองตัวเห็นไหมเบิรนตรงก๊อป กรอลัซุบฮานะกามยาคูนุลีอันอากูละมาไลซาลีบิฮัก อ, อินกุนุกุลทุหฟกะดะอลิมตหอินกุนุกุลุฟกะดะอัลลิมตตัวลามนะครับอย่าลืมกระดกเสียงนะอินกุน ตัวนี้นูนหมดเลยนะอิ่งกูตุกลูลตัวลามนี่ดดเสียงนะกูลตูหูฟะกดอดะอัลิมตะอัลิมตะอิ่งกูตุกลตูหูฟะกอดอัลิมตะ ตั้งเล่ามว่าในนั้นซีว่าละเล่าว่าในนันซี ตลมมว่าในนซีวาล่าตั้งลมม์ว่าในนซี คือัลตัลลัมอลกุบต้องบีแล้วกันนะ อบุย้อนนะเออลองดูมาคุลตูลหุมอินลามะมารตันบิฮีอันอบูดุล มาُُุตุลาหุมอิَลาَะอามาร์ตันِบิอานิ عبد ل َّ ه ฮ อันย่อบูดุลลอฮะรับ ا ีวะรับบักุมอ <na> ัน <jamais> ย uh. ว่ากุลตัวอื่ิๆฉะฮิดัมมาดุมตูฟีหิมว่กุลตัวอื่นๆฉะฮิดัมมาดุมตูฟีหิมอ่ามาดุมตรงนี้ไม่หน่วงเสียงกี่มาดุมตูฟีหิมนะเพราะว่ามันไม่ได้มีนูนตาย ห, หรือมีชัดดะตรงมีมนะครับ ว่าُ ن นตุ عليهمشهيد ะม่าดุมตุฟิมว่าขุนตุ عليهمشهيد ะม่าดุมตุฟิมฟาละมะทาว ฝ่ a ยตานิกตนตรกบลหตยตานิารักบะอาไลอีกรอบนึงนะฝมาต ไฟตานิคุณแต่ท่านตรَควิบัติให้ผมว่า على كل شيء และอันทั้งหมดที ل ش รา ش ي ็น เบื้องหุ้ม فإنّهم عباد ุคันตัวอักษรันตัวอัก حكيم. ว่าอินทําตาล ك หุมอินอต عزيز ุล حكيم. ฟืลหุม فإنك أنت العزيز الحكيم ُาห์ว่าอิด์กล่าวหลั ي َฮุยอาสบมยัมล จงลํำลึกถึงขนาดที่อัลลอฮ์ทรงตัดว่าโอ oh, อีซาบุตรของมารยามเอย๋ยอัลลอ์ถามนะบีอีซานะบอกว่าเจ้าพูดกับผู้คนหรอว่าเจ้าไปสอนกับผู้คนไหมว่าอะไรกุนต um ุลินัสเอสตะคอดูนีวะอุมมียะตรงนี้ก็หมายถึงมานดานะมานดาอุมมีตรงนี้ ไปบอกกับผู้คนเห้อว่าให้ยึดตัวของฉันก็หมายถึงตัวของนบีอีซาเ่ยและก็แม่ก็คือพระนางมารยยมเนี่ยอีลาไฮเป็นพระเจ้าทั้งสองมีคำสอนจากนาบีอีซาหรือไม่ที่นบีอีสามาสอนบอกว่าให้ยึดตัวของนบีเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรและก็บอกว่าแม่ที่ให้กำเนิดมาที่ไม่มีพ่อเนี่ยเป็นหนึ่งในพระเจ้าด้วย แน่นอนว่านาบีซามไม่ได้สอนแบบนี้แต่การที่เอาลอสุบฮาหนาะหัวตาลาลงวะฮีตรงนี้มาเนี่ยเป็นคเป็นการลงวะฮีให้กับนบีมหฮัมมัดเพื่อเอาไปตอบโต้กับพวกนสอรอที่เขาเชื่อว่าพระเจ้านั้นมีสามองค์นะแบ่งภาคลงมาเป็นคาเดกตีเอกานุภาพซึ่งคำถามว่า ชาวนาโซ ร, รอกับมุสลิมเนี่ยพระเจ้าองค์เดียวกันไหมถ้าเชื่อแบบนี้เป็นคนละองค์แล้วไม่ใช่องค์เดียวกันเพราะถ้าพระเจ้าของมุสลิมนั้นคือหนึ่งเดียวอัลลอฮ์ทรงเอกะดังนั้นมืคนมีคนมาเค้นแบอบกว่าพระเจ้าของคริสตกับอิสลามเนี่ยองค์เดียวกันเฮ้ยมันจะองค์เดียวกันได้ยังไงล่ะถ้าองค์เดียวกันก็ต้องเหมือนเราสิแต่นี่ไปบอกว่าอัลลอฮ์มีสามมีพระบุตรพระจิตวิญ ญ, ญาณผมไม่รู้นะขอมาอัฟทีเพราะไม่เคยไปศึกษาหรอก แต่ในหนังสือเขาก็เขียนเอาไว้ก็คนละองค์กันดังนั้นแต่ถามว่าที่มาในการคําสอนเนี่ยเราเชื่อในนบีอิสราไม่เชื่อแต่ต่างกันตรงสถานะหนึ่งสถานะของนบีอิสาเป็นรลอดศูลเหมือนกับ น, น, นบีมูฮัมหมัดแต่เขาเชื่อว่านาบีอิสาเป็นเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าด้วยนะมาเสียสละมาตายมาถูกตึงแล้วก็ยอมเสียสละอภัยโทษกับมนุษย์อันที่สองเขาเชื่อว่านาบีอิสา ตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะ น, นี้เขาบอกมีอีกกี่วันไม่รู้ฟื้นแต่เขาเชื่อเจ็ดวันแล้วฟื้นผมไม่รู้จะไม่ได้แต่ว่าเขาเชื่อว่าตายไปแล้วแต่ของเราไม่ไม่ตายเลยอัลลอยกขึ้นไปเลยเปิดหลังคาแล้วยกขึ้นไปไอ้ที่ถูกตึงก็เป็นคนหน้าเหมือนอ่าดังนั้นหลักความเชื่อหลักอะกีดะระหว่างนาซอร์กับเราเนี่ย ก็คนละอย่างกันนะครับนะดังนั้นแน่นอนว่าใครที่เชื่อในลักษณะที่บอกพระเจ้ามีสามองค์ก็เท่ากับเป็นกาเฟสนั่นแหละแล้วก็ทําชีริกต่อร้อยและในฮะดิษบทนึ่งบอกว่าจะมีใครที่จะทนต่อการถูกใส่ร้ายมากไปกว่าร้อยมนุษย์เราเนี่ยก็อาจจะถูกใส่ร้ายหนึ่งสองสามสี่แต่พระเจ้าเนี่ยผู้ทรงบริสุทธิ์เนี่ยพระองค์ทรงบริสุทธิ์เนี่ยถูกใส่ร้ายใจพวกนี้ที่หาว่าพระเจ้ามีบุตรนะดังนั้นเนี่ย มันจึงเป็นได้เป็นเรื่องที่นา่ารังเกียจมากๆที่มุสลิมไปร่วมยินดีวันคริสต์มาสที่เราพูดไปแล้วอะ่ะคือมันเลวยิ่งกว่าคนไปไปไปร่วมดื่มเหล้านะ่ะหมายถึงว่าไปนั่งอยู่ในวงเหล้าเนี่ยไกลคนที่ไปบอกว่าโอ้ยยินรีคริสต์มาสนะอะไรอย่างเงี้ยนะไอเนี่ยบาปหนักกว่าอีกเพราะอะไรเพราะกําลังไปเชื่อเหมือนกับเขาแล้วว่าพระเจ้าของพระเจ้ามีลูกมีบุตรแต่ดูเหมือนไม่ไม่หนักนะโอ้ยกินเหล้าน่าจะหนักเนาะเออ แต่อันนี้มันเป็นความผิดฐานในการใส่ร้ายพระเจ้าอาลัลลอ์ทรงบริสุทธิ์นะเอาต่อมากอละสุบหฮานะกามายกูนุนี่ไงกอลัสุบะฮานะปรากฏว่าเขาก็กล่าวว่าบีซา ก, ก็บอกว่าพระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์ฉันไม่เคยที่จะกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิ์ของฉัน มายากูนูรีอันอากูลมาไลซาลีบิฮักเพราะนี่ไม่ไม่ใช่สิทธิ์ของฉันนี่พี่น้องต้องรู้นะว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยคืออะไรเรื่องเรื่องริสกีเนี่ยเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่จะประทานให้ไม่ใช่เรื่องของหน้าที่ของเราเราหน้าที่อะไรหาบางคนเนี่ยไปทําหน้าเชียรอัลลอฮ์แล้วอุ้ยต้องอต้องนั่นต้องได้ตรงนี่นด้วยเอ้ยตกลงนี่ใครเป็นคนให้ริสกีแกเหรอ เราหาสิแล้วเราก็มอบหมายต่อหรอเเต่ไหมบางคนมีคนคนหนึ่งที่เขารับอิสลามเขาไปเรียงลําดับผิดเขาอยากจะแก้ปัญหาตัวเองก่อนแล็กก็ค่อยรับอิสลามเช่นเขายังเลี้ยงหมาอยู่เขายังตัดใจไม่ ไ, มได้ว่าหมาเขาจะทำยังไง เ, เขายังมีแฟนที่เป็นคนต่างศาสนกอยู่ถ้าเขารับอิสลามแล้วเขาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ อันนี้เป็นเป็นเรื่องของหัวใจเลยนะคุณแต่งงานกันเนี่ยรักกันมีลูกกันถ้าผู้ชายคนหนึ่งมารับอิสลามอยู่กับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วนะคนละศาสนาอยู่กันไม่ได้ล้วก็ต้องแยกออกมาอันนี้ถ้ามาด้วยกันก็ทำดีแล้วแต่ถ้ามาถ้าไม่ได้มาด้วยกันนี้ก็ถือว่าเป็นคนอื่นไปนะเขาก็มานั่งนึกดูว่าตกลงเนี่ยเราเรียมดับผิดเปล่าเรานี่หลาเป็นคนแก้ปัญหาทําไมเราไม่ให้อัลลอฮ์ช่วยละ่ะเราก็รับอิสลามก่อนแล้วเราก็ขอกับพระ อ, องค์ ให้พระองค์ช่วยทําในเรื่องพวกนี้ยให้มันสะดวกง่ายได้และสุดท้ายอัลลอฮ์ก็จัดการปัญหาให้หมดเลยแฟนเขามารับอิสลามเฉยเลยโดยที่ไม่ได้มีการไปบังคับด้วยนะหนูอยากรับอิสลามก็มาเป็นคู่เลยคนนี้อัรรนทำดูดิละเออฉันชอบฟังเรื่องพวกนี้ยเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกกระตุ้นอ إ ي م านของเรานะเอ อ, อเขาถูกถูทดสอบจากศรัทธาของเขาไงต้องเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนับชีวิตของเขา ก็เลยบอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ใชสิทธิของเราเนี่ยอย่าไปทําเลยไม่ใช่หน้าที่ของเราเรื่องริสกีเรามอบกับลอเลยแล้วเราก็แสวงหาจะได้มากได้น้อยบางคนไปนั่งเครียดทําไมมันขาดทุนแล้ว ม, ดด ม, ลาามากำหนดได้ไหมล่ะเราถ้าเรากําหนดได้เราก็กำหนดกําไรอย่างเดียวสิมันก็ต้องมีเรื่องแหละขาทุนกําไรนี่เป็นเรื่องของลอเรามอบให้กับพระ อ, องค์เจ็บไข้ได้ป่วยเราหายได้ได้หายได้ตัวเองเหรอเอามาันเราไม่หายจะไปเครีลยดได้ล่ะก็ไม่หายก็ทนไปสบายไปขอขอกรอล้ อ, ข อ, ข อ, ข อ, ขอไปนะยิ่ง ป่วยทุกวันเอาเราก็ลบบาปให้ทุกวันไปกับไปในสภาพที่ไม่เหลือบาปเลยก็มีบางทีนอนป่วยเป็นปีๆแต่ดีที่สุดก็คือขอให้สุขภาพดีนะทำดีแล้วมีคนถามฉันว่าเจอโรคอะไรนะมีโรคอะไรบ้างฉันก็บอกว่าอ๋อไม่เจอโรคเพราะว่าเราไม่เคยไปเจอหมอ <c oughs> ก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง <laughs> เพราะหมอเนี่ยเขาแปลกนะเขาชอบหาโรคให้เรา <c oughs> เออแปลกเจอหน้ากาันเทอเออแข็งแรงดีนะไม่ นี่โรคมานี่โรคมามีคนนเนี่รกระเบิดชักฉันเนี่ยเอาถ้าฉันใจเสียทักทักชอบทักเนี่ยไตไตน่าจะมีปัญหาดูแล้วเนี่ยไตห น, น้าเป็นฝ้านี่เสร็จแน่เลยโอ้โหมกูเจอไม่อยากเจอมึงเลยถ้าใครมันดีๆไม่เป็นนรกถ้ามันป่วยเดี๋ยวการรักษานะเออเจอบัญชีทักแล้วไม่อยากเจอเลย อมทักกันดีๆนะให้กําลังใจกันฉันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เราก็รู้ <c oughs> ทําไมเราจะไม่รู้ล่ะเออโอยๆเดี๋ยวรู้หมดแหละเจ็บอะไรตรงไหนไงแต่ว่าบางครั้งไอ้บางเรื่องเนี่ยมันซอบัตมันก็อดทนทารักษาได้ก็ดีแต่ผมว่านะไอ้บางอย่างเนี่ยพอพอรู้โรคเดี๋ยวบางทีมันสุดเลยนะไอ้ตอนไม่รู้เนี่ยเป็นได้นะโอ้ยคุยสะดวกแต่พอรู้เท่านั้นแหละสุดเลยอ น, นี่แหละบางครั้งกําลังใจไงก็มีสองแบบนะแบบหนึ่งก็คือเป็นแล้วก็ปั๊บไปเลย กับอดีทสองเป็นแล้วก็เจ็บนานๆไปอของฉันเนี่ยถ้าฉันเลือกได้นะฉันขอให้แบบฟุบไปเลยเออวะไวยคนข้างหลังจะได้ไปทรมานใช่ไหมนั่งดูแลเช็ดอเช็ดอะไรอีกก็ว่ากันไปนะอันนี้แต่เราเลือกไม่ได้นะเราก็ขออวอารกรล่ะแต่ทุกคนต้องตายอยู่แล้วจะตายแบบไหนก็ขออว์แลกวกันแต่ขอให้ตายด้วยกับความดีงามตายด้วยกับการอีมานอามิดนาบีอีมาน ขอให้ฉันตายด้วยกับอีมานอา้าวอิงกุนตะกุนตุฮูฟะก็ดาลิมตุบอกไงต่อว่าหากฉันเคยกล่าวสิ่งนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมรู้ดีเป็นการยอมรับสารภาพไม่ใช่สารภาพเป็นการยอมรับในความรู้ของอัลลอ์ว่าเราสามารถโกหกอัลลอ์ได้ไหมไม่ได้ที่พระองค์ถามที่พระองค์รู้อยู่แล้วแต่ให้บอกได้ก่อนว่าถ้าเราโกหกเนี่ย นะถ้าเรากล่าวแบบนั้นพระองค์ก็ยอมรู้ดีนั้นเราไม่โกหกอยู่แล้วเราไม่อขอโทษดีเราไม่พูดในสิ่งที่ไม่ถูกอยู่แล้วเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ดี <c oughs> ตะและมูมาฟีนับสี <c oughs> ขออันะพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจพระองค์เนี่ยทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจของฉันแต่ฉันเนี่ยไม่รู้สิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์เออเราเนี่ยไม่รู้ในสิ่งที่ อยู่ในอยู่ในอยู่ในของอัลลอฮ์ความรู้ของอัลลอฮ์รู้แค่บางส่วนที่อัลลอฮ์เผยให้ยังมีเยอะที่เราไม่รู้เรื่องของอัลลอฮ์และให้เรารู้เฉพาะที่อัลลอฮ์บอกด้วยนะอย่าไปแสวงหาอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเพราะอินมุลเยบเนี่ยรู้ตามที่อัลลอฮ์ให้ให้ให้รู้เท่านั้นไปคิดเองเออเองไม่ได้เอาต่อมาอินนากาอันเตลอินนากาอันตาอัลลามุลกุยูบนี่ไง แท้จริงพระ อ, องค์นั้นทรงรอบรู้ความเล่มเล้นลับทั้งหลายมนุษย์เนี่ยนะครับจะมีเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นะบางเรื่องที่เอาล็อปิดเอาไว้ก็ไม่สามารถจะจะรู้ได้เออาวันนี้บางเรื่องนะก็ยังก็ยังใต้ทะเลเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าสำรวจได้ไปเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นาซาเนี่ยเคยไปเคยตอนแรกตั้งขึ้นมาเนี่ยเคยสำรวจทะเลพอสำรวจไปสักพักนมันเลิกเลย มันบอกคูขึ้นข้างบนดีกว่าเขาก็ไปไปลือกันนะว่ามันไปเจออะไรบ่รู้เปล่าใต้ทะเลเนี่ยมันถึงขึ้นข้างบนจริงๆแนวความลับในทะเลในมีเยอะเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ใต้อีกโลกหนึ่งเขาเรียกเป็นโลกของใต้มหาสมุทรแต่ก็โลกดุนยาเราเนี่ยนะไม่ใช่ไปโลกหน้าไม่ใช่แต่มันคือเหมือนกับอีกอีกอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่อยู่ใต้ทะเลฉันไม่ได้กล่าวแก่พวกเขามากุนตุละหุม ฉันไม่ได้กล่าวแก่พวกเขานอกจากสิ่งที่บทองค์ทรงบัญชาฉันเท่านั้นอิลลามะอามัรตานีบีอันเนี้ยบูดุลลอฮ์ฮะรบบีวะรับบาคุมสิ่งที่อัลลอฮ์บัญชาคืออะไรคือให้ทําอิบาร์ด <c> า <oughs> จงอิบาร์ดาต่อรลเป็นพระเจ้าของฉันและเป็นพระเจ้าของพวกท่านทั้งหลายด้วยวากุ่นตัอะไรฮิมชาฮีดะ ม, มาดุมตัวฟีฮิม และฉันย่อมเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขาในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ <c oughs> ในหมู่พวกเขาแปลว่าแปลว่าในช่วงของนบีอีสาเนี่ยคาสอนเนี่ยไม่ได้มีผิดเพี้ยนอะไรผมถึงบอกไงว่าไม้กางเขนเนี่ยมันมเกิดขึ้นสมัยนบีตายไปอ่าขอโทษทีนบียกขึ้นไปแล้วบีซาถูกยกไปแล้วไม้กางเขนเพิ่งมาสมัยนบีอีซาไม่มีเรกให้มา ถือไม้กางเขนแ ล, ละไล่ผีอะไรไม่มีไอ้ น, นี่มาทีหลังทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งหลักคําสอนที่บอกว่านบีซาเป็นลูกก็ไม่ได้ออกมาจากป่าของนบีซาเลยมาจากนักการศาสนาของพวกเขาที่พยายามปัน่นแต่งปั่นเรื่องขึ้นมาแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อเอาผลประโยชน์นะเอาต่อมาฟะลามมาตะวะไฟตาณีครั้งเมื่อพระองค์เนี่ยทรงรับ รับฉันขึ้นไปแล้ว น, อน ะ, ะอันตะกุ้นตะอันตรกีบาราไลฮิมพาะองค์ก็เป็นผู้ทรงดูแลพวกเขาพอนบีซาม่อยู่แล้วอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ดูแลเหมือนกันนะเราอาจจะห่วงคนเบื้องหลังเวลาเราจายไปแล้วบางคนก็เป็นห่วงไะนอนตายตาไม่หลับไม่ต้องเป็นห่วงพี่น้องครับเราก็ขอดูอาร์ก่อนละให้ใคร ให้อัลลอฮ์ดูแลต่อแล้วเราจะไปดูแลไงเราตายแล้วให้อัลลอฮ์ดูแลต่อหนึ่งในความทุกข์ใจของท่านนบีก็คือตอนนบีเจ้าอว่านแต่ภรรยาหลายคนเลยนั่งก็คือขออุทิศก่อนลอขอดุอาศก่อนรอดอ Allah, น้ําตาก็ไหลพอฉันเสียไปแล้วแล้วใครจะดูแลภรรยาเพราะภรรยานบีแต่งงานใหม่ไม่ได้คือนบีเป็นคนสุดท้ายแต่งงานใหม่ไม่ได้เลยก็ต้องคลองตนแบบนั้นบางคนก็นยังสาวเช่นเธออย่างไงใช่ไหม จนกระทั่งอับดุลละมาบินเอาเดินมาแล้วก็บอกว่ายาโรสุลลอฉันรับที่จะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของภรรยาของท่านโล่งใจเลยนบีก็บอกรางวัลของท่านอยู่ในบ่อน้ําผมจํารายละเอียดไม่ได้นะท่านจะได้เข้าสวรรค์อ่าอัลลอฮ์ส่งมาให้โดยที่นบีไม่ได้ไปบอกอับดุลละมาเลยนะอับดุลละมาบินเอาเดินมาแล้วก็มาบอกนบกีเลยบอกว่าค่าใช้จ่ายของภรรยาทั้งทั้งหมดอาสาลเลยฉันจะเป็นคนดูแลทั้งหมดอัชาลลอห์นี่คือคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ก่อน เดี๋ยวเราจะส่งคนมาช่วยเราเองแต่บางคนเราจะนึกถึงคนก่อนลืมนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงคน น, น, นู่นคนนี้และลืมที่จะนึกถึงอัลลอฮ์นะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยถึงขั้นอย่างนี้เลยนะปราดบางคนแนะนำบอกจะไปยืมตังใครเนี่ยละหมาดดูอาร์ Allah, ก่อนล่อก่อนจะอยู่จเยอะขอให้เขาให้เราตังเรายืมล่าสุดเนี่ยมีเพื่อนฉันเนี่ยฉันกําลังทําบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งเมีย ม, มันจะคลอดนะ เมียมันจะคลอดแล้วเนี่ยมันบอกว่าอาจารย์มึงดูอาต้นไหนวะตอนเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้วกูต้องเอาไปทําบ้านจะออกจากบ้านไปทําบ้านให้ผมทั้งๆที่ไม่ไปก็ได้ไม่ได้ห้ามอะไรเลยเพื่อนกันมีเหตุด้วยเมีาจายจะคลอดแล้วมันบอกว่าอยู่ไม่ได้ว่ะตื่นขึ้นมาเนี่ยมือมันจะไปจับไอ้พวกเครื่องบดเครื่องอะไรเครื่องสีใสไหมต้องไปทําให้อาจารย์มึงดูอาบทไหนบอกอ๋อไม่เราขอก่อลเราให้บ้านนี้สําเร็จเดี๋ยวเราจะส่งคนมาช่วยเองห้ามดูดินละพี่น้อง อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะส่งคนมาช่วยโดยที่เราไม่คาดคิดด้วยไม่คิด่ะแผนการของอัลลอฮ์แยบยนต์เสมออา้าวต่อมาอาอันตะอาเลกุลลิชายชฮิดอันตะอาเลกุลลิชายชฮิดพระองค์ทรงเป็นสักขีพยานต่อทุกสิ่งอัลลอฮ์เป็นสักขีพยานอัลลอฮ์มัชฮัดให้อัลลอฮ์เป็นพยานต่อมาอาย่านี้พี่น้องครับเป็นอายาที่นบี ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็เดินไปเดินมาจนกระทั่งถึงสุโบแล้วก็อ๋ออ่านกุรอ่านขอโทษทีอ่านกุรอ่านละมาตาฮยุจนกระทั่งถึงสุโ บ, แ ล, ลโบและอ่านอายะนี้อายะเดียวอายะไหนอายะที่หนึ่งร้อ่านอยู่อายะเดียวเลยซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ำม า, ำำมาที่เมื่อกี้ผมอ่านซ้ําเยอะๆเนี่ยผมต้องการจะให้นึกถึงท่านนบี อัลลอฮ์บอกว่าไงอินตัวอัซซิบหุมฟาอินนาหุมอีบาดุกหากพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาเป็นเป็นการพูดถึงนบีซานะที่พูดที่ขอต่อหลอหากจะลงโทษพวกเขาฟาอินนาหุมอีบาดุกคนที่พระองค์ลงโทษนี่คือใครก็คือบ่าวของอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์เป็นไงเป็นสำนวนที่น่ารักนะถ้าหากพระองค์จะลงโทษก็ไม่ใช่คนอื่นไกลเลย ก็คือบาวของพระองค์เองนั่นแหละว่าอ um ินตอร์ฟละฮุมฝาอินนะกะอันตะลาจีซุนฮากีมแต่ถ้าหากพระองค์ทรงอภัยโทษให้แล้วก็แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณอา่อายะนี้แหละที่นบีอ่านซ้ำไปซ้ามาทั้งคืนเลยอันนี้เอามาจากไหนล่ะก็มีที่มาอยู่แล้วพี่น้องนะเอ่อ ตรงนี้บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นที่เรื่องที่น่าประหลาดมากโดยมีระบุในหะดีษว่าท่านนาบีลุกขึ้นมาในตอนกลางคืนจนกระทั่งถึงเช้าและท่านก็ได้กล่าวซ้ําไปซ้ํามาอยู่เรื่องนี้ตลอดอ่านอยู่เนี้ยอายาเดียวนี่แหละแล้วก็คนคนคิดตลอดว่าพระองค์จะลงโทษบ่าวของพระองค์ไหมเป็นห่วงอ่ะพูดง่ายง่เป็นห่วงประชาชาิเป็นห่วงอุมมะของท่านนาบีนะครับ อ, อมีห a d i s ยาบทหนึ่งนะข อ, ขอมาอ่านะเดี๋ยวอีกสองาขา้อหนึ่งจบละขออนุญาตอ่าน hadis บทหนึง่งยาอายุฮันนัสอินนากุมมะชูรูน่อีหลานลอโอ้มนุษย์ทั้งหลายความจริงพวกเจ้าเนี่ยจะถูกต้อนไปไปสู่อัลลอฮ์เธอคนดีอ่นะก็จะอีกแบบหนึง่งไอคนไม่ดีเนะี่ยมันรู้แล้วว่ามันจะไปรับไอสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องต้อนก็ต้อนไปโดยที่ในห a d i s บอกว่า โูฟฟตันออราตันกูรุลันจะมาในสภาพที่เดินเท้าเปล่าวันกิยามันนะและก็เปลือยกายอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะในฮะดิสสนะบีบอกว่ามีหนังหุ้มอวัยวะเพศอยู่ยังไม่ทําสุนัตตอนที่เราตายไปในบุชายเราเนี่ยตายไปเนี่ยเราทําสุนัตกันเล็วแต่วันที่ฟื้นคืนชีพมาเนี่ยเราจะมีหนังหุ้มอยู่เป็นเหมือนตอนที่เป็นเด็ก อันนี้อยู่ในฮะดิษไม่ถูกทําสุนัตเพราะสุนัตนี่เราถูกทําออกไปตอนเราเป็นเด็กใช่ไหมแต่พอเราตายเราฟื้นขึ้นใหม่เอาเราให้มือมีหนังหุ้มเอาไว้เพยด้วยนะเอาต่อมาดังเช่นที่เราได้บังเกิดเจ้าในตอนแรกเลยก็ตอนแรกมันมีมาไงเราไปตัดมันออกอันนี้ผมพูดถึงผู้ชายนะกามะบดะนาะเอาเวละค้อลกินนะนูัดูว่าอินนะเอาเวลาล้อแกเขาบอกว่า ในฮะดิษบอกว่าแท้จริงคนแรกที่ให้มีอาพรใส่ในวันกิยามัตก็คือนบีบรอฮีมนะนบีบรอฮิมในนี้บอกนะนบีบรอฮิมนบีบรอฮีมกขยาอมันืยอิบรอฮีมอลาอินน a ูยูจอูบ b ิ r i j a l ิ n min u m ม a ตีแล้วก็พึงทราบเถิดว่า จะมีผู้ชายจกบรรดาประชาชาติของฉันเนี่ยจะถูกนำมาและพวกเขาก็จัดอยู่ทางด้านซ้ายและฉันก็ได้กล่าวว่านั่นพว ก, พวกนั่นนั่นพวกฉันนั่นคือพวกฉันแล้วก็ได้มีเสียงกล่าวว่าความจริงเนี่ยท่านไม่ทราบหรือว่าหลังจากที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยพวกเขาได้ทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาในเรื่องศาสนาคือทำบิดาและฉันก็กล่าวเช่นนั้นว่าบ่าวที่ดีคนนั้นได้กล่าวว่า และฉันย่อมเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขาในช่วงเวลาที่ฉันอยู่อ่าคันเมื่อพระองค์ได้ได้ทรงรับฉันไปแล้วหมายถึงคนที่นบีอยู่ด้วยเนี่ยศา ส, สนาศา <c oughs> ส, สนาของอัลลอฮ์เนี่ยบริสุทธิ์นะครับแต่หลังจากนบีว่าฝาดไปแล้ว บ, บนะหลังจากนบีว่าฝาดไปแล้วเนี่ยมันก็มีบางคนที่เปลี่ยน ศา ส, สนานั้นคนที่อยู่ร่วมกับนบีซาเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกับหมดนะเขาก็เป็นมุสลิมเหมือนเราเนี่แหละแต่ยุคลังหลังไงที่มาเปลี่ยนแล้วก็ในในในอะไรนะครับในในฮะดิษบทนี้ก็พูดถึงอายะนี้แหละว่าถ้าหากพระองค์จะลงโทษพวกเขาก็เ้าก็คือบ่าวของพระองค์แต่เพราะพระองค์ทรงอภัยพระองค์ก็ทรงอะไรนะครับก็ทรงอาซีจุนฮากีมทรงเดชานุภาพแล้วก็ มีเสียงกล่าวว่าอินฮาอูละลมยาซาลูมุรตัดดีนอาลาอักอบิฮิมมุลซุฟารักตุฮุมแล้วก็แท้จริงเนี่ยพวกนั้นน่ะตกศาสนาไปแล้วพวกนั้นตกศาสนาไปแล้วเพราะว่าไปเชื่อว่าพระเจ้ามีสามองค์นะและหันกลับมาสู่ศาสนาเดิมของพวกเขานับตั้งแต่วันที่ท่านจากเขาไป มุสลิมเราอธรรมดุริดแล้วนะลองมาดูประวัติของนบีม ahoma พอนบีเสียปั๊บเนี่ยมีพวกมุตตัดีนเลยพวกตกศาสนาเกิดขึ้นเลยนะหลังจากนาบีปะสาตปับ๊บมัยัดนบียังไม่ถูกฝังเลยมีบางคนออกแล้วนบีนับท่านอบักเลยทําสงครามกับพวกนี้ปราบเช่นเดียวกันเวดาเราซูลบางท่านเสียชีวิตพอเราซูนตายพวกนี้ก็กลับสู่ศาสนาเดิมนะแต่ตอนอยู่เนี่ยดี แต่ตอนไม่อยู่แล้วเนี่ยจะดีเปล่าไม่รู้ดังนั้นก็ต้องเรามัดระวังนะพวกเราทั้งหลายไอ้ตอนเราอยู่เนี่ยศา ส, สนา ย, ยังเข้มอยู่ในบ้านเราถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าศาสนาจะเข้มเหมือนเดิมไหมนะเสียงกุฎอ่านยังเคยได้ยินเหมือนเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงแล้วอตอนโตเราอยู่เนี่ยเสียงกุฎอ่านลั่นตลอดเพราะโตะอ่านกุฎิอานพอโตไม่อยู่เท่านั้นแหละเพลงมาดึ่มเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ก็ต้องสอนกันบอกกันนะอะมา อ, อ่านอายะ2อายะสุดท้ายนะครับ قال الله هذا يوم يفعسديكين َ سدقهم قال الله ُ هذا يوم يمفع ا ل ص َ د ِ ق ي ن صدقهم เรา ج ุ่มจัน م ร ت นั้นจะริมตาที่หั ละหุ่มจันทร์ต้ ت ตาจริมีตาทิหาเลหา ข้ ل ลีนใ ا ที่น ا ้บัดร้ายอัลลอฮ์แห่งพวกเข د และ ي ่ ا รวยข้าลีนใ ض ที่นี้บ ه ดร้า و อัลลอฮ์ ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم لله للله م ُ ل ْ ق ُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا ف ِ ي ه ِ ن للله ِ لل ملك ُ ا ل س َّ م ا ِ والأرض وما فيهن َล له ملك ا ل س َّ م ا ِ والأرض ََْ وما َ فيهن وهو على كل ِ شيء قدير อายะที่ร้อยยี่สิบนะครับสิบเก้าแล้วก็ร้อยยี่สิบปิดท้ายปิดท้ายแล้วของซูร้อนนี้อัลล <im itation> อฮ์บอกว่ากอลลอฮูฮ่าดาเยมุยันฟาอุสซอดีกีนัสีดกูฮุมบอกว่าไงว่าอัลลอฮ์บอกว่านี่แหละคือวันที่การพูดความจริงของพวกเขาเนี่ยจะอํานวยประโยชน์แก่ผู้ที่พูดความจริง <c oughs> สรุปง่ายๆก็คือว่า สิดดีกีนนี่ก็คือคนที่พูดจริงและก็ทำจริงไม่ใช่พูดจริงอย่างเดียวนะทำจริงด้วยเช่นเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาและเราก็ยืนยันตามคำพูดของเรานะและก็ปฏิบัติตามที่เราได้พูดเอาไว้นี่แหละคือคนที่พูดจริงเมื่อใดที่เราพูดอีอย่างหนึ่งทำอีอย่างหนึ่งพวกไหนเนี่ย มูนาฟิกไง น, นี่แหละตรงกันข้ามกับซิดดีกรีนก็คือมูนาฟิกอันนี้นรวมหมดนะพอวันที่ไปยืนที่จะข้ามสะพานซีรอดเนี่ยซิดดีกรีนเนี่ยไปฟับเลยบางรายงานบอกกระพริบตาสา ฟ, ฟ้าแลบไปแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นเหมือนนกบางกลุ่มเหมือนนกบินไปบางกลุ่มเหมือนคนขี่ม้านะบางคนเดินบางาคนวิ่งบางคนเดินบางคนคลาน แต่จะมีบางพวกที่เป็นมูนาฟิกที่ถูกสอยลงไปข้างล่างนั่นหมายความว่าความดีกับความชั่วของเขาเนี่ยความชั่วขเขามากกว่าครา้ น, นี้เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ให้เราเต็มร้อยหรอกจริงๆแล้วเนี่ยการวัดขออัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องร้อยนะถึงจะได้เข้าสวรรค์คืออะไรล่ะคือพูดง่ายๆระหว่างความดีความชั่วเราเนี่ยขอให้ความดีเราเป็นไงมเยอะกว่า ต้องมากกว่า50บนี่ก็ผ่านแล้วผ่านเกณฑ์ที่ เ, าเราล้อวางเอาไว้นะ่ะเออคือคือมาตรฐานของล้อไม่จะว่ต้องร้อยเน่ยถ้าเป็นร้อยทีย่พวกเราตายเลยมีบาปกันมู้ดคนแหละแต่คราวนี้เราต้องพยายามให้ตาช่างฟังความดีของเราเนี่ยเป็นไงให้มันเยอะกว่าและก็เราวางไอ้ความชั่วของเราเนี่ยให้มากๆอย่าให้มันเยอะอ่าพยายามเผาโลให้มันเบาๆโดยการทําความดีเอาความดีลบความชั่ว อันนี้บอกก่อนนะคือบางคนเนี่ยบอกโ อ, อ้ยเข้าสวรรค์ขอโลดูเหมือนจะยากจริงจริงมันก็มัน ก, มน ก, มนก็มันคือการฝืนนะครับนรกเนี่ยคือการทําตามใจส่วนสวรรค์นเนี่ยสําหรับคนฝืนมีอ็ดดิทบทหนึ่งนะ เ, เอากรรมกรความหมายโดยรวมก็คือว่านารกนรกคือการตามใจจริงไหมถ้าตามใจทุกอย่างนะเราไม่อยู่ในกรอบเลยนะเราจะทําชีวิตยังไงก็ได้ข อ, อความสุขเข้ามาหาเงินจะเป็นทหารานทารอมัยสนนะ่ย ลูกฉันยังไงก็ได้เรียนอะไรก็ได้ละมงละหมาดฉังมันปล่อยมันมันละหมาดไม่ละหมาดถ้าตามใจแบบนี้หนุนที่อยู่อีกที่หนึง่งแต่ถ้าบ้านไหนที่ต้องฝืนใจกันทุกวันฝืนใจกันอะไรฝืนใจในการขม่มฮาวานับสูเอาไว้แล้วก็ทําความดีจนกระทั่งความดีเนี่ยกลายเป็นเรื่องชินกับความปฏิบัติคือบางคนบอกว่าทําไมเขาขึ้นขึ้นตาฮัดยุตได้ง่ายจังเลยต้องถามเนี่ยทำแรกๆทํายากไหมล่ะ อ๋อกว่าจะตื่นในการหมดไปกี่พังเี่ยนก็มันทํายากไงแต่ทํายากตนทําบ่อยจนกระทั่งกลายเป็นชินได้เวลาปั๊บกุฎามาตดูฮาแลว้วได้เวลาปับมมป๊บเกียรมุลเลนแล้วปั๊บปั๊บตะฮัดยุทธแล้วก่อนจะทําอย่างนี้ได้เนี่ยยากไหมโอ้ยยากจริงมไหมละ่ะเราไปดูสิทําไมบางคนอ่านกุฎานได้ตลอดแต่ก่อนหน้านี้กว่าเขาจะหยิบกุฎานได้เนี่ยโอ้โหฝืนใจน่าดู มันจะหยิบโทรศัพท์ก่อนมันจะเปิดทีวีก่อนแต่พอทำความดีไปจนกระทั่งเป็นประจำความดีกลายเป็นเรื่องปกติแล้วแทบต้องไม่ต้องฝืนอะไรแล้วเห็นไหมบริจาคบริจาคแรกๆโอ้โหนั่งนักนึกเสียดายไปเนี่ยโหยลูกมาขอยังให้เป็ น, น้อยกว่าที่บริจาคอีกเออที่บริจาคให้เยอะที่ลูกมาขอให้นิดเดียวเองนั่งเครียด นะจริงๆให้ลูกเยอะๆหน่อยก็ได้เออแต่พอเวลาเราทำบุญไปจนกระทั่งชินนะโอ้ยควักง่ายเลยเดี๋ยวโอนเดี๋ยวสำบุญทำบุญแล้วล็อกก็ให้ดังนั้นซิดดีกีนคือคนที่พูดความจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติจริงเกิดอะไรขึ้นครับจันลาฮุมสำหรับพวกเขาคือเจนนนตสวงสวรรค์จะได้รับสวงสวรรค์ตาจรีมินตติฮันอันธารคอลีดีนาฟีฮาอาบบดา ซึ่งมีแม่น้าําหลายสายที่ไหลยอยู่เบื้องล่างนั้นและเขาจะพนักอยู่ในนั้นแบบอบาบาดาแบบตลอดกาลสวรรค์ น, นี่ถ้าเข้าแล้วไม่มีออกนะสวรรค์ น, นี่เข้าแล้วไม่มีออกและก็ตรงนี้เนี่ยในคําอธิบายบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาะหูวะจายและได้ตัดแก่บ่าวของพระองค์และศาสนาทูตของพระองค์ก็คือนบีอีสาบุตรของมาดายมหลังจากที่อีซาได้คําตอบได้ตอบคําถามด้วยกับ การปฏิเสธการโกหกบิดเบือนของพวกนสอรอซึ่งได้กล่าวทิศต่อล้อและรอศูนของพระองค์รวมไปถึงการที่อีซาได้มอบหมายความรู้กับสภาพความศรัทธาของเขาที่ไปยังพระองค์โดยพระองค์อัลลอฮ์ได้ตัดว่านี่แหละคือวันที่ก็ตามอายะกรานนี้นะเอาต่อมารอดียัลลอฮูอันฮุมว่ารอดูอันอันนี้เราจะได้ยินบ่อยเนาะ เป็นคําดูอาให้กับซอฮบะนบีเวลาเราพูดถึงซอฮบะนบีเราจะบอกว่ารอดิยัลฮวนทุ่มถ้าบอก ห, หลายหลคนก็รอดิยัลฮวนทุ่มซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าขอขอให้อัลลอ์นั้นทรงพอพระทัยพวกเขาอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยของพวกเขาเป็นการเป็นดูอาเป็นดูอาด้วยเป็นการยืนยันด้วยว่าอัลลอ์พอพระทัยกับเบหล่าซอฮบะนบี วเราดูอันและพวกเขาก็พอใจต่อรอพอใจต่อรอไหมพอใจสิเวลาได้เห็นรางวัลแล้วแต่ตอนทำเนี่ยนะมีความหวังที่จะได้รับการตอบแทนความเมตตาจากลอแต่พอเวลาทำปับ๊บแล้วได้เข้าไปสวรรค์ไปเจออลัลลอ์โอ้โหพอใจมากกับผลงานตรงนี้ ザลิกัลโฟซุลา ي م มนี่แหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือได้เข้าสวรรค์ไงสรุปง่ายๆคือข้าได้เข้าสวรรค์ลิลลาฮิมุลกุสซามาวาติวัลอรัรบอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินวะมาฟีฮินน่ะแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าอะไร สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนะว่ามาฟีหินนะ่สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินตัวแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดเป็นอำนาจของลอททั้งหมดเลยนะว่ามาฟีหินก็คือสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินวา่าฮูอและกุลลเชงกอดีตและพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งนะครับ ซุลรอสุดซุลระสุดท้ายที่ถูกปรทานลงมาอิบเนวะบินได้กล่าวว่าฉันได้ยินหูใหญ่อิบนนอับดิลละรายงานจากอาบีอับดุลรอฮ์มานอัลฮูบลีจากอับดุลละอิบเนอัมบอกว่าซูลรอสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาก็คือซุลระอัลมาอีดะนะครับอ่ะก็ขอจบที่ซูลรอสนี thr thr awa, e Allah, ้ก hey ่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าชาลล์เราค่อย เรียนซูร์อันอันอามกันต่อนะแล้วก็ซูร์อันอามก็มีมีเรื่องที่ทลหลายหเรื่องนะจะค่อยว่ากันนะแต่ว่าสซร์โซร์อันไมอีดาเนี่ยบทหลักๆจะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องใครนอสรอเรื่องของออชาวคริสต์ซึ่งสังเกตได้ง่ายว่าพี่น้องถ้าพูดถึงเรื่องเยฮูดนานอสรอเนี่ยจะเป็นซูร์อัมนมาเดนียะ นะเพราะว่าพวกนี้อยู่ในในเมืองมา ด, ดีนะนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับซุบฮานะกอลฮุมมาอวบีฮ um il ัมดิการัดุอัลลาอิลาฮออิลลัตตอัสตักฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามอานิคุมมุราหมัตุลลอฮฺวะบาราคัตุ